Thank <laughs> you. วันนี้รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาให้แง่คิดให้กำลังใจบางที่อาจจะนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ที่จริงที่สถานที่แห่งเนี้ผมก็มาบ่อยมาหลายครั้งชอบมาชื่อมันเ พ, พราะดีทังทัสฐานวัยหนุ่ม คนที่มีวัยแก่ก็ชอบเข้ามาในวัยหนุ่มอย่างนี้แหละในเรื่องธรรมดาก็ถือว่ามาแต่ละครั้งนี่ก็มาทำประโยชน์มาให้แง่คิดเพื่อจะได้นำอาไปปฏิบัติตามทุกคนก็คงจะได้ทราบประวัติความเป็นมาแล้วนะว่าทำไมผมจึงมีสภาพเช่นนี้อันที่จริงเนี่ยแต่ก่อนนู้นสมัยที่ยังอายุ น, น้อยๆหนุ่มๆอย่างนี้ละ ในความรู้สึกนี่ก็มีความใฝ่ฝันหลายๆอย่างก็คงจะคล้ายๆ ก, กับพวกเรา อ, อยากจะมีความสุขอยากจะให้ได้อย่างที่ใจปรารถนาผมเองนี่ตั้งแต่เล็กมาจนโตเนี่ยชีวิตจะว่าไปแล้วก็ลําบากลาบากมากแต่อาศัยสิ่งอยู่สองอย่างที่ประคองตัวเองมาได้ก็คือความเข้มแข็ง ความขยันผมเป็นคนยากจนยากจนตั้งแต่กําเนิดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยากจนมาก่อนแต่ว่าในระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยความยากจนนี่มันช่วยทําให้เราเนี่รู้จักประมาในการใช้ก็เลยอศาศัยความประหยัดมากความอดทนมากเนี่ยตอนเรียนหนังสือจบแต่ว่ามีความมุ่งหวังอย่างอือว่าถ้าเราจบมาแล้วเนี่ยเราต้องมีงานทํา จะได้มีเงินเยอะๆเอาเงินมาทำอะไรเอามาดูหนังเอามาฟังเพลงร้องเพลงซื้อหาสิ่งที่เราชอบใจโดยเพราะจะทานอาหารโตใหญ่ๆเลยจ่ายมากๆแล้วก็มีครอบครัวคือตั้งความหวังไว้ทุกอย่างด้วยใส่เงินเอาเงินเป็นพระเจ้าแต น, นระหว่างที่สแสวงหานั้นน่ะ มันก็ได้ไม่พออย่างที่เราอยากหรอกจบมาแล้วเป็นอาจารย์สอนแล้วเงินเดือนพิงน้อยนิดมันไม่พอความต้องการของเราอันนี้แหละมันจะเริ่มมีปัญหาคิดว่าเงินเนี่ยทําให้เรามีความสุขก็มุ่งจะแสวงหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะแต่ไม่เข้าข้นใจเพื่อต้องการให้ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ได้ ผิดหวังเลยนะตอนที่ระหวังที่ยังไม่พิการจงกระทั่ง ป, ประสบอุบัตเหตต้องพิการตลอดชีวิตแบบเนี้ยและต้องพิการตลอดชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหความผิดหวังนี่มันก็มากขึ้นแต่ว่าอาศัยสิ่งเดียวที่ลูกผู้ชายยังมีอยู่อะคือความอดทนอดทนไว้ก่อนในเราดีกันเนี่ยให้ความอดทนแล้วก็ไม่ท้อแท้เนี่ยมันเป็นของคู่กัน มันเลยได้วิธีคิดมันเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วคิดไปแล้วมันตันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเปล่ยวิธีคิดใหม่เหมือนรถที่มันขับไปแล้วติดลมใช่ไหมยิ่งแร่งยิงจมมันต้องจะถอยหลังแล้วก็หาทางใหม่เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ถ้าเราขืนที่จะมุ่งหวังต้องการในสิ่งที่เราอยากจะได้ มันมีโอกาสที่จะผิดหวังได้มากแต่ก่อนเราเคลื่อนไหวไปมาได้ตามปกติเราสามารถที่จะหาแสวงหาเงินได้มากแต่เราพิการแบบเนี้ยเราจะหาเงินได้ที่ไหนใครก็จะให้เงินเราแล้วความสุขที่เราจะได้จากเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือเปล่าทาไมเราจึงแสวงหาเงินมากก็เพื่อจงการจะซื้อความสุขใช่ไหมเพื่อจงการความสุข อันนี้คือเป้าหมายของชีวิตเลยแต่ถ้าเราอยุดสภาพเชน่นนี้เราจะหาเงินที่ไหนได้ล้วจะซื้อความสุขที่ไหนได้เงินก็หาไม่ได้ความสุขก็ไม่มีเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ซิว่าถ้าเราขืนมีจิตใจมุ่งหวังที่จะมีเงินแล้วเนี่ยเราจะมีทางพบความสุขเลยแต่ยังคิดไม่ออกโชคดีที่ผมเองนี่เป็นชาวพุทธ ที่พูดนี่ไม่ได้เกี่ยวถึงศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับลัทธิเกี่ยวกับชีวิตของคนเรื่องชีวิตของคนในท่านที่เป็นชาวพุทธก็เลยนําเอาหลักคำคําสอนในศาสนาเนี่ยเอามาศึกษาดูอันเนี้ได้จากการเรียนรู้เห็นไหมอ่านหนังสือเขาว่าสมัยก่อนหนังสือธรรมะเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเพราะธรรมะในสอนแต่เรื่องชีวิต เรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข์เอามาศึกษาอมาอ่านะไรมันก็ได้เปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่ได้ยังคิดเป็นใหม่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินความสุขอยู่ที่ใจอั น, นียจิดใหญ่แล้วความสุขที่ใจเรามีเงินมากถ้าใจไม่มีความสุขเนี่ยมันก็สุขไปไม่ได้หรอกเงินไม่สามารถจะซื้อความ เจ็บไข้ได้ป่วยให้มันหายป่วยได้โรคบางอย่างเงินรักษาไม่ได้ความแก่เงินก็รักษาไม่ได้แม้แต่ความตายเงินก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันจะตายขึ้นมาก็เลยเปลี่ยววิธีคิดใหม่เอาหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติรู้ว่าทําไมเราจึงต้องมาอยู่รวมกันที่นี่มันมีเหตุอย่างน้อยศีลศีลห้าข้อเราต้องไม่บริสุทธิ์แนะ่คนเราเนี่ยจะต้อง จะค่อยได้ป่วยอายุไม่ยืนยาวก็เลยนำมาศีนห้าเนี่ยมาปฏิบัติว่าเราคงจะเป็นคนที่เบียดเบียนชีวิตคน อ, อื่นมาก่อนหรือทำร้ายคนอื่นหรือการแกล้งกักขังเราต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้มนเลยได้แค่ค่อยเดียวเนี่ยก็นึกขึ้นได้ออนี่สีนนี่ยเราต้องทำให้มันบริสุทธิ์เข้าไว้เดี๋ยวเป็นการแก้ไขตัวเองใช้ศีลเป็นพื้นฐานไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกไม่ดึงสุลาห้าข้อเนี่ยเป็นหลักเลยเพื่อเป็นการไถ่ถอนบาปของเราแล้วต่อมาเราก็ใช้ชีวิตแบบศึกษาตัวเองเรียนรู้แล้วมีความสุขอันนั้นใช่อยู่แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะถ้าเรียนรู้เรื่องที่ไม่น่าเรียนมันก็ทุกได้นะ การเรียนรู้ที่มีความสุขนั้นคือรู้เรื่องตัวเราเองรับรองได้ใครเรียนรู้เรื่องตัวเราเองถึงที่สุดแล้วจะมีความสุขที่สุดเลยสุขแบบไม่มีคำพูดคือเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเพื่อเราเคยไหมเคยเรียนรู้เรื่องตัวเองไหมเราเรียนข้อนมามากแล้วเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจตัวเองเลยในความรู้สึกว่าเราต้องการอะไร ไอสิ่งที่เราต้องการนะไม่ใช่เรานะคุณรู้ไหมที่คุณต้องการนะไม่ใช่คุณต้องการหรอกมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันบีบคั้นให้เราคิดว่าเราต้องการอย่างน้อยความคิด <S <S ใช่ไหมความคิดทําเราต้องการอะไรหลายอย่างแม้แต่ความสุขแต่ความคิดนั้นไม่ใช่คุณคิดหรอกมันมีอํานาจบางอย่างที่มันบีบคั้นในจิตใจเราอยู่มีอยู่สามอย่างคือความอยากได้ แล้วก็ความโกรธความไม่พอใจแล้วก็ความหลงสามอย่างเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ตัวคุณแต่มันอาศัยอยู่ในจิตใจของคุณถ้าคนที่เรียนรู้ตัวเองเนี่ยจะเห็นตัวเนี้ซึ่งเป็นตัวหลอกทำให้เราต้องลำบากตัวเองเนี่ยพอเริ่มพิการก็อาสยาตัวเนี้ยตัวที่มาเฝ้าดูตัวเองก็เรียกว่าตัวสติ ตัวความรู้สึกตัวนะมาเฝ้าดูตัวเองสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเลยนะไอ้ความคิดต่างหาทำให้เราเปลี่ยนวิธีการหมดเลยความคิดของเราเนี่ยสำคัญมากพอเรียนรู้ตัวเองนานๆเ น, นี่ยเข้าใจความคิดเข้าใจตัวเองมันเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ได้ <S <S เปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ได้ <S <S คิดว่าความสุจแท้จริงนั้นไม่ใช่การที่เราได้ดูสิ่งที่เราชอบใจ ได้ฟังสิ่งที่เราชอบหรือได้ทานอาหารที่อรเด็ดอร่อยอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขทแท้จริงนั่นคือความพอใจของเราต่างาความพอใจความมอใจที่ไม่มีสิ่งอื่นมาบีบคั้นใจเราได้พบความสุขแบบใหม่รู้จักตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบสังคมมาเริ่มเห็นความจริงชีวิตว่าความสุข เกิดจากการทำความดีใคร เ, คเห็นตรงนี้บ้างความสุขเกิดจากการได้ทำความดีความสุขเกิดจากการได้ทำประโยชน์อันนี้ก็เป็นความสุขอยากถามว่าจิตใจที่คิดจะให้เขากับจิตใจที่คิดอยากจะได้ของเขาเนี่ยอันไหนมันสุขกว่ากันใครเคยให้ให้ของคนอื่นบ้างใจที่คิดจะให้เนี่ยมันมีความสุขกว่า ใจที่คิดอยากได้ขเขาใช่ไหมใจที่จะให้เนี่ยมันเย็นเป็นความปรารถนาดีแต่ใจที่คิดอยากได้งเขาเนี่ยมันดิ้นรนกวนกวายมันร้อนอันนี้รู้ว่าเป็นความสุด่างหนึ่งก็เลยเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเพราเองนี่จะแสวงหาความสุขอย่างพว้เรานี้ไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างนี้มันจํากัดถ้าเขาไม่พาไปไหนก็ต้องนอนอยู่กับที่แต่เรามีวิธีการหาความสุขแบบใหม่ แบบไม่ต้องไปดูแบบไม่ต้องไปฟังแบบไม่ต้องไปกินในที่ที่เราชอบเราเราก็สามารถมีความสุขของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบนั้นไม่ต้องลงทุนแบบนั้นไม่ต้องไปเสียเงินตีตัว๋วไม่ต้องไปตีตัว๋วไม่ต้องไปต่อคิวแต่เราสามารถแสวงหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปไหนซึ่งพวกเรานี่ยังดีกว่าผมเยอะนั้นจึงอยากจะมาแบ่งปันให้เราลองดูให้ลองมหาความสุขแบบที่ ไม่ต้องไปหาดูบ้างบางทีอาจจะได้พบในที่นี้ก็ได้จึงจบอกว่าการที่ผมได้มีโอกาสได้ประสบปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเนี่ยมันมันกดดันทำให้เราแสวงหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ดีที่สุดในชีวิตด้วยถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะมีความทุกข์แบบนี้แล้วก็เราจะไม่ทางนี้พบตัวเองเลยไม่มีโอกาสได้มาเจอตัวเองเลยไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ เราต้องขอบคุณความทุกข์ขอบคุณปัญหาพวกเราก็เช่นเดียวกันผมว่าที่เรามีโอกาสได้ติดอยู่ในเรือนจําแบบเนี้ยยิ่งยาวนานแบบนี้ถือว่าเราในโชคดีนะโชคดีที่ว่าวิกฤตต่างๆเนี่ยมันช่วยกดดันให้เรามีโอกาสได้กลับมาย้อนดูตัวเราเองเราจะได้เข้าใจชีวิตรเราเองผมเคยไปทํากิจกรรมแบบเนี้ที่เรือนจําทั ญ, ญบุรี ทำกิจกรรมแบบเนี้พอพูดจบมีผู้ตรงหางคนหนึ่งแอบมาคุยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เลยไม่เคยฟังเกี่ยวเรื่องธรร ม, มะเลยไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเลยเขาอยู่บ้านอยู่กับคุณยายเวลาคุณยายเปิดธรร ม, มะเขาก็ลงจากบ้านหนีไปเลยทำทูกคลั้งที่คุณยายเปิดธรร ม, มะแล้วเขาก็ไปทำความผิดต้องเข้าอยู่ในเรือนจำ ห้าปีอีกประมาณถึง6เดือนเนี่ยเาจะออกจากรือนจำพ้นโทษเขาบอกว่าเขาอยู่เรือนจำเนี่ยเขาได้อะไรหลายๆอย่างเขารู้จักตัวเขาเองเขาได้กลับมาดูชีวิตตัวเองได้ศึกษาชีวิตที่แท้จริงเนี่ยการศึกษาทีวิที่แท้จริงเนี่ยต้องศึกษาที่ตัวเนี้ยที่ปัญหาของเราเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราไม่ท้อแท้ เราอดทนต่อสู้เนี่ยเราจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะเราเคยไหมเวลาเราผ่านอุปสรรคมากๆเนี่ยพอเราผ่านไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้อะไรที่แปลกๆเคยพัฒส์ึกษากันไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นโอกาสดีแล้วเนี่ยเอาที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเลยเราคือนักศึกษาอย่าถือว่าเราติดอยู่ในเรือนจอําจะยาวิดแบบนั้นนี่แหละคือมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งไม่มีใครจะเข้ามาได้ง่ายๆนะ เราได้โชคดีแล้วอย่าปล่อยวลร้ายผ่านไปกลับมาดูตัวเราเองศึกษาตัวเราเองแต่อย่างน้อยนะเราต้องมีการพัฒนาชีวิตชีวิตต้องมีการพัฒนาพัฒนาคืออะไรคือทําให้มันเจริญร่างกายเนี่ยไม่ต้องพัฒนามันก็เจริญแล้วนะกินข้าวมันก็โตมันเหมือนในหัวเผือกของมันนะมันก็โตทุกวันแต่ว่าจิตใจเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ดีกว่าร่างกาย เป็นโอกาสที่เราควรจะพัฒนาจิตใจเราจิตใจเราในพัฒนาได้พัฒนาได้รับรองเราต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่มันจะเป็นการพัฒนาชีวิตเราได้อย่างน้อยต้องคิดว่าตัวเราเองเนี่ยพัฒนาได้ เรายังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้เรายังมีโอกาสที่จะออกมาจากที่นี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดซะใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ด้วยอลองดูไหมผมนุ่นแค่ประมาณนึงเดือนนั่นแหละผเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยนะจากคนนอนเป็นทุกข์มาสิบหกปีนอนเป็นทุกข์มาสิบหกปีหาคําตอบตัวเองไม่ได้ชีวิตเก่าเหมือนเดิ ม, มแต่พอมาศึกษาธรรมะ มามีศีลมาเฝ้าดูตัวเองด้วยสติเนี่ยหนึ่งเดือนเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยแล้วเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันกลับกลายมาเป็นความสุขได้ด้วยการลงมือประพฤติลงมือกระทําขึ้นมาหนึ่งเดือนเท่านั้นะผู้เรานี่มีเวลาอีกมากมายไม่ต้องกลัวขอทดสอบแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นสนใจไหมแล้วเราบอกว่าเราอยากจะมีความสุข เราจะไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขที่ไหนหรอกความสุขมีแล้วในตัวเรามันน่าลองนะไม่ต้องลงทุนอาจจะไม่ได้ความสุขแบบสนุสนานแต่เป็นความสุขแบบสุขแบบสงบเย็นแบบสบายใจอะความสนุกกับความสบายนี่ต่างกันนะเราชอบความสนุกหรือชอบความสบายในความสนุกอาจจะไม่สบายก็ได้แต่ในความสบายเนี่ยมันมีความสนุกอยู่ในใจ ลองฝึกตามที่ผมจะแนะนําเนี่ยดูที่ว่าเราจะเกิดความสบายแล้วก็สนุกได้ไหมอันดับแรกเราต้องล้างจิตใจเราซะก่อนไม่่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้ปิดอุกามไม่ดื่มสุราไม่เสพสิ่งเียติดแค่นี้กายบริสุทธ์นนะร่างกายจะบริสุทธิ์ได้นั้นไม่ใช่ว่าอาบน้ําอย่างเดียวกายบริสุทธิ์นี่สี่นี่สี่ข้อข้อที่สี่ถ้าเราไม่พูดโกหกเนี่ยโอโ้โห วาจารบริสุทธิ์เลยศีลห้าข้อเนี่ยกายวาจารบริสุทธิ์เลยไม่ต้องอาบน้ําก็ภูมิใจได้ทําได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราพยายามทําให้มันได้พยายามทําได้เลิกตนใหม่เมองตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยมีครบนะเนี่ยทุกคนนี่มีครบนะตอนนี้เราไม่ได้ไปทําร้ายใครใช่ไหมไม่ได้ลักขโมยใคร แล้วก็ไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครไม่ได้เสพสิ่งเสพติดด้วยและไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพราะที้ทุกคนมีครบเลยเนี่ยมันง่ายเลยมันยาก <c oughs> แค่นี้เราก็มีอยู่แล้วเพียงว่าเราต้องใส่เจตนาสักหน่อยหลังจากนี้ไปก็จะปฏิบัติเหมือนกันแค่นี้เราก็มีครบแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นศีลสังคมต่อไปจะให้ศีลส่วนตัวศีล ส, ส่วนตัวเราเนี่ยอย่าลืมว่าเราอยู่ที่นี่ถ้าเรา ทำตามกฎระเบียบวินยัยกติกาที่ทางเรือนจำได้ทําเอาไว้อย่างเคร่งครัดเลยเราก็มีสีลเหมือนกันนะสีคนนี้ก็สําคัญนะจะเรียก ว, วินัยก็ได้เห็นไหมภาษ า, า, าพารู้ว่ามีสีแล้วก็วินยัยเรามีสีอยู่แล้วอันนี้มีวินัยประจําตัวเราถ้าเราทําตามกฎระเบียบข้อบังคับกติกาต่างๆเนี่ยเราจะอยู่นี่อย่างมีความสุขเลยอย่างไม่ลําบากเลยอันนี้ก็เป็นสีของเราเหมือนกัน เป็นการพัฒนาตัวเราด้วยอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะเติมหลังจากที่เรามีศีลศีลได้เหมือนฐานฐานเจดีย์จดีนี่มันฐานมันต้องกว้างใหญ่ใช่ไหมทีนี้ชีวิตเราเนี่ยถ้าทําอะไรด้วยการมีศีลแบบนี้แล้วก็มักจะประสบผลสําเร็จในชีวิตคือฐานมันกว้างเจดีที่ไหนที่มันหัวลงไม่มีเจดีย์เขาตั้งขึ้นใช่ไหมเนี่ยฐานมันกว้างใหญ่แบบนี้แหละเป็นเริ่มต้นจาการพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยแล้วต่อไปทําอะไรก็สําเร็จ แค่เรามีสีแค่นี้เราก็มีความภูมิใจความสุขเริ่มมีขึ้นแล้วเราเป็นคนที่ละชั่วทำดีแล้วเพียงแค่นี้เราจะเกิดความภูมิใจไม่เชื่อลองทาครบสักห้าวันเนี่ยเราก็เกิดความภูมิใจแล้วมันจะมีความสุขในเบื้องต้นเพราะฐานเราดีต่อไปเนี่ยเติมมาอย่างหนึ่งค่อนี้ดูมันจะยากหน่อยแต่เราก็ทาได้นะคือเติมความรู้สึกตัว อย่างตอนนี้ศีมีครบแล้วมีความรู้สึกตัวอย่างนึงคือการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคนส่วนมากเนี่ยเรามีสติอยู่มีบางคนก็ยังเหม่อลอยอันนั้นถือว่ายังไม่มีสติเรื่องสติเนี่ยคือการระลึกได้ว่าเรากาลังทำอะไรกำลังคิดอะไรสำคัญเหมือนกันนะมีศีนอย่างหนึ่งแล้วก็สติอย่างนึงควบคู่กันไปศีล แล้วอาจจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้แต่สติเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรายังต้องให้สัมผัส ด, ดูสัมผัสทีว่าสติเป็นยังไงคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมีหลายอย่างเป็นเหตุปัจจัยอาจจะนอนกลางวันมากเกินไปก็คืนก็นอนไม่หลับหรือว่าดื่มกาแฟรหรือมีโรคภัยไข้เจ็บแต่มีข้อข้อหนึ่งที่ว่าเป็นสาเหตุที่นอนไม่หลับนั้น ก็คือความคิดคนที่นอนไม่หลับเป็นส่วนมากร้อนต้องร้อนเกิดจากความคิดวิตกกังวลคิดอยากได้คิดโกรธคิดกลัวกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจวาดระแวงอั น, นีไอ้ความคิดแบบนี้ทำให้คนนอนไม่หลับบางทีกินยาแล้วก็นอนไม่หลับพุกเองก็เคยเป็นมาก่อนนะเป็นคนที่คิดมากคิดจนนอนไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนแต่ผมอาศัยวิธีการแบบนี้ นอนพลิกมือเล่นเนี่ยพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่มรู้สึกเจตนารู้ที่มือกลาลังหงายกลาลังคว่ำเนี่ยนอนหลับตาหลับสบายเลยเป็นวิธีการทำให้เรานอนหลับโดยที่ไม่ต้องกินยาแล้วพวกเราลองไปใช้นะคนที่นอนหลับแล้วก็ฝึกไปก็ได้พลิกมือหงายรู้สึกเดี๋ยวมันก็หลับแล้วหลับแล้วก็ฝันฝันในส่วนที่เป็นกุศลฝันดี บางทีไม่ฝันเลยหลับสบายหลับลึกไปเลยลองทำดูนะเนี่ยนอนพริกมือเล่นีรู้สึกเจตนารู้ที่มือเนี่ยมันจะคิดอะไรคิดไปอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปกดทับความคิดมันทำให้เราเครียดเพียงแต่ไม่สนใจเขาเห็นไหมเนี่ยเสียงมันก็ดังข้างๆเนีแต่เราไม่สนใจฟังเท่ากับเสียงนั้นไม่มีเลยเรามาฟังแค่นี้เห็นไหมนั้นนอนพลิกมือเล่นอย่างนี้แล้วก็นอนหลับ หรือไม่ถนัดเอามือไว้ที่หน้าอกหลับตาก็ได้เลื่ตาก็ได้เคาะมือเล่นรู้สึกที่มือกาลังกระทบทีนีน้หลับสบายเลยทุกคนลองไปทําดูเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบเนี้คือการให้เรามีสตินั่นเองการมีสติเนี้ทาให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราทําดูเนี่ยไอ้ความคิดอดีตอนาคตเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเราใสา่ใจที่การพลิกมือ แล้ว เ, เอาสิ่งนี้ไปใช้ในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันนี้ต้นไปเนี่ยลองลองทำดูเลยเรานั่งเราก็รู้สึกบางทีเรานิ้วมืออันนี้มือนี่นิ้วชี้กับนิ้วม่มือถูกันเบาเบานี่ผัวเบานะถูเบาเบา่าเล่นๆเนี่ยจิตใจมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันไม่เลือ่อนลอยไปไหนหรอกแล้เบื่อใครลาคานใครเรามาถูมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสติ แั่เราแต่ละวันนี่นต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ด้วยแต่ก่อนทำอะไรนี่จิตใจเลือ่อนลอยไม่รู้สึกตัวเราเปลี่ยนใหม่นะทำอะไรก็รู้สึกตัวให้เรามีสติเสมอเสมอทุกครั้งที่เรามีสติเนี่ยใจมันจะเป็นสมาธิสมาธิคือความสงบตั้งมั่นใจมันจะผ่อนคลายและมันจะมีความสุขตามมา เป็นสุขแบบสบายใจไม่ต้องดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขได้พอเทียบความสุขกันแล้วเนี่ยอันนั้นเราไม่ปฏิเสธนะการดูหนังฟังเพลงร้องเพลงก็ทาไปเถอะไม่เป็นไรแต่เราควรจะแสวงหาความสุขอีแบบหนึ่งด้วยที่ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นสบายเลยทำอะไรก็รู้สึกตัวอยู่การทำงานเนี่ยเราทำงานได้นานทำงานได้ทนเรานั่งได้ยาถอนย่าเนี่ยทำอยังมีสติอยู่การงานเนี่ยมันจะเพลินแล้วก็มีความสุข ไอ้ที่เราไม่มีความสุขเพราะเราคิดมากทำงานไปกันเมื่อไหร่ใครจะมาหาเราใครจะเห็นความดีของเราเนี่ยมันจะใจมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ยิ่งทานานๆเนี่ยมีสติมีสมาธิเราจะเริ่มรู้จักตัวเราเองตรงนี้แหละเห็นไหมพอเราทำอะไรก็รู้สึกตัวเนี่ยจะรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองมันจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ตรงเนี้ยตอนที่เข้าใจตัวเราเอง การใช้ชีวิตเนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะมีความมั่นใจแล้วก็มั่นคงในการใช้ชีวิตนี่แหละมันคือความสุขเริ่มทำดูบางคนนี่แค่สามวันเจ็ดวันก็เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมีความสุขได้ไม่ต้องรอหนึ่งเดือนแบบผมก็ได้คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างนี้แหละความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นสนใจนะเพราะนั้นเราจึงต้องมี บางสิ่งบางอย่างช่วยเป็นวิธีของเราเนี่ยวิธีคิดที่เราควรจะมีก็คือเราต้องมีจิตสํานึกไว้ในใจว่าความผิดแล้วก็ตามที่เราเคยทําไปแล้วขอให้มันผ่านไปแล้วเราก็ไม่กลับมาทําอีกความผิดที่ทําผิดไปแล้วนอย่ากลับมาทําอีกอันเนี้ยเราตั้งไว้ในใจเขาเรียกว่าจิตสํานึกแล้วก็ชีวิตต่อไปเนี่ยเราจะทําแต่ความดี แค่มีศีลห้าข้อเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ทำความดีแล้วดีเพราะไม่ชั่วและความดีส่วนนะั้นทำเพิ่มไปเลยแต่มีห้าข้อนี่เป็นหลักเป็นการทาความดีอันที่หนึ่งก็คือเราจะไม่ทาความผิดเหมือนเดิมอีกไม่ทำความผิดเหมือนเดิ ม, ม, ค, ว ม, ด ม, ดมความผิดใหม่ก็ไม่ทำนะเราจะทำความดีทุกวันสองอย่างเนี่ยเราก็เริ่มมีความสุขแล้ว อันที่สามทีสำคัญมากคือสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไปแล้วอย่ากลับเอามาคิดอีกอะไรที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยอย่ากลับมาคิดอีกถ้ากลับมาคิดอีกเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นกรรมตอบสนองใจเราให้เป็นทุกข์ใครเคยคิดถึงความผิดที่ผ่านไปแล้วมาคิดอีกแล้วมีความสุขบ้างนั่นแหละเวลามีความตั้งมันส่งผลถ้ามันคิดขึ้นมา เราขอให้เอามาเป็นครูเลยอ๋อไอ้นี่แหละมันเป็นครูเราต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเพราะเราทําอย่างนี้เราถึงต้องมารับผลแบบนี้เอาความผิดเป็นครูของเราอย่าไปทําอย่างนั้นถ้ามันคิดนะถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นผู้ตรงขังเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมเพราะเราคิดว่าเราคือผู้ตรงขังแล้วก็ถูกขังอยู่ล่างไปเพราะฉะนั้นความคิดที่สําคัญนะดังนั้นอย่ากลับเอามาคิดสิ่งที่ไม่ดีอย่ากลับเอามาคิด ถ้าคิดตอนนั้นตายตอนนั้นตกนรกทันทีเลยในความผิดตั้งหลายความผิดทําแล้วก็แล้วไปอย่ากลับเอามาคิดถ้าเก็บเอามาคิดใจเราจะเป็นทุกข์นั่นลหละคือกรรมส่งผลถ้าไม่คิดเท่ากับไม่มีอย่างตอนนี้บางคนเป็นหนี้ใครอยู่เนี่ยถ้าเราคิดเราก็เป็นหนี้ถ้าไม่คิดหนี้ไม่มีแต่ความคิดเราห้ามได้ไหมใครสามารถห้ามความคิดได้บ้าง ความคิดถ้าเราห้ามได้มันก็ดีสิเราจะได้คิดแต่ถึงที่ดีๆใช่ไหมแต่เราห้ามไม่ได้หรอกมันย่อมมีความคิดที่ไม่ดีสอสแสเข้ามาแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีการทุกครั้งที่เกิดความคิดวิธีการเอาชนะความคิดคือไม่ต้องไปห้ามให้มีสติรู้ทันมันพอมีสติรู้ทันแนละ้วความคิดมันจะหายไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยทาไมาเราจึงบอกเราไม่มีความคิดเรามีนะ แต่เราไม่รู้เรามารู้แต่ติการเคลื่อนไหวของมือการเดินของเท้าใช่ไหมให้เรามีสติรู้ทันแล้วความคิดมันจะหายไปสติเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายบุญทุกครั้งที่มีสติเนี่ยความชั่วร้ายจะหายไปทันทีเลยมันคิดให้มีสติรู้ทันมันคิดให้เรามาพลิกมือเล่นมันคิดให้เรามาถูนิ้วมือเล่นเดี๋ยวมันก็หายไปอันนี้เป็นเอาชนะความคิด ปลูกฝังไว้ในใจเราความชั่วที่ผ่านไปแล้วจะไม่กลับมาทำอีกแล้วก็จะไม่คิดถึงมันอีกแล้วก็จะทําแต่ความดีแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วทุกคนเนี่ยอายุมากกว่ายี่สิบผลว่าทุกคนเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากประสบการณ์ชีวิตมามากอะไรดีอะไรชัว่วอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็พอจะแยกแยะได้นะแม้บางครั้งเราอาจจะเดินทางผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไร มันยังมีทางถูกให้เราเดินยังมีทางที่ถูกต้องให้เราเลือกเดินอยู่คืออยู่กับว่าเราจะเลือกเดินทางไหนระหว่างขนทางที่เป็นบาปอากุศลที่มันครอบงำในใจเราอยู่เนี่ยอย่างเช่นว่าความอยากได้จนเกินไปความเห็นแก่ตัวความหดลายความอาฆาตพยาบาทหรือความเศร้าหมองหน้าจิตใจอันนี้เป็นทางเดินที่ ใครเลือกเลยแล้วจะต้องเป็นทุกตลอดไปกับอีกทางหนึ่งก็คือทางที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตให้มันดีมีคุณธรรมประกอบด้วยความเมตตาความให้อภัยความเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ความมีน้ำใจความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอันนี้เป็นมารยาของสุภาพบุรุษเลยนะสิ่งที่ผมกล่าวเนี่ยความมีคุณธรรม ความมีเมตตาความให้อภัยความอ่อนน้อมถ่อมตนความเอื้ออาทรีความมีน้ำใจไอเ น, นี้ยเป็นคุณธรรมของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนี่ไม่จช่เป็นต้องมีข้างนอกนะในเรือนจํานี่ก็มีสุภาพบุรุษได้สุภาพบุรุษในเรือนจําเนี่ยผมว่ามันหาได้ยากเราเป็นผู้ชายต้องใช้คําที่อย่างเต็มปากเต็มผ้าภูมิสุภาพบุรุษนี่ ไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงนะสุภาพบุรุษนี่ใช้การแก้ปัญหาแบบสุขุมรอบข้อใช้ด้วยเหตุผลอันนี้คือสุภาพบุรุษที่แท้จริงความอดทนถัวเป็นสุภาพบุรุษง่ายๆเลยทนต่อความหิวตอนนี้บางคนอาจจะหิวมากก็ได้อดทนเนี่ยเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนความหนาวอย่างเนี้ยในเนี้ยหนาแล้วเนี้ย แต่เรากอดอกอดทนแล้วเนี่ยไม่บ่นไม่เบื่อแสดงว่าเราเป็นสภาพบุรุษอดทนต่อความหนาวเกินไปร้อนเกินไปโรคภัยค่เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยอดทนมันลูกผู้ชายต้องอดทนเนี่ยคือสุภาพบุรุษและอดทนเรื่องทนให้ได้ด้วยถทนไม่ได้เท่ากับไม่ได้ทนอดทนแล้วต้องทนให้ได้อันนี้คือเป็นการเรียกว่าพิสูจน์ความเป็นสุภาพบุรุษของเราที่สำคัญก็คืออดทนต่ออารมณ์ นี่สำคัญมากนะสุภาพหลุษเนี่ยต้องอดทนต่ออารมณ์เวลามันเกิดอารมณ์รักอยากได้ต้องการอดทนมันไว้ไอความอยากความต้องการเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกมันต้องมีแต่เราทนมันไว้ไม่ทำตามเราเกลียดหน้าเบื่อหน้าใครอยากจทำร้ายอดทนมันไว้คือสุภาพหลุดอดทนต่ออารมณ์ที่จะมายั่วให้รักที่จะมายั่วให้โกรธ เป็นการเอาชนะใจตัวเเองสุภาพบุรุษต้องเอาชนะใจตนเองไม่อ่อนแอนะสุภาพบุรุษต้องไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยท้อแท้ท้อถอยไม่ใช่สุภาพบุรุษอีกอันหนึงก็คือสุภาพบุรุษจะต้องพิสูจน์ตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวเองเคยยินคาคำหนึ่งที่เรียกว่าแมนรู้จักไมครับแมนคืออะไรแมน ไม่ใช่แมวแมวนี่ฝึกได้แมวนี่ฝึกไม่ได้นะแมวนี่มันดื้อนะบ้านใครเคยเลี้ยงแมวบ้างโอแมวนี่ยอดดื้อเลยเราดึงหางมันมันจะไปทางหัวเป็นไงไหมเราดึงหัวมันมันจะถอยหลังเรารูบหลังมันมันเอาหลังลงเราจับท้องมันโก่งตัววมนที่เราจับมันโยนเพื่อให้หัวลงมันเอาขาลงแมวนี่ฝึกไม่ได้แต่แมวนี่ฝึกได้ เราอยากเป็นแมวหรืออยากเป็นแมวแมวนี่มันเป็นสัตว์ที่เชื่องไม่ดุร้ายเสือดุร้ายกว่าแมวคุณว่าเสือกับแมวไหนฝึก ง, ง่ายกว่ากันคือผมไปดูไปดูเขาฝึกเสือนะเสือเนี่ฝึกยากมากดูแล้วมันยากนะตัวมันโตเขาฝึกให้มันนั่งบนเก้าอี้และยกสองขาไปเนี้ยนั่งบนเก้าอี้ยกสองขาเสือทาได้ แมวทำไม่ได้แล้วอีอันหนึ่งก็คือให้เสือพุ่งรอดบวงไฟเสือทำได้แมวทำไม่ได้ให้เสือเต้นรําโอ้ผมเห็นแล้วประทับใจมากเสือเนี่ตัวเบลเลอร์เลยไอ้คู่เต้นรําเสือคือคนคนตัวเล็กกวเสือสองเท่าก็เสือเอาขาพาดมันไหลเลยโอ้โหหัวเสือถ้าอ้าปากงับแล้วคอหลุกเลยแต่เสือไม่ว่าอะไรนะ เสือเชียงเต้นลํากับคนว่ามันแปลกไหมผู้เรานี่เหมือนเสือแล้วคนฝึกเสือเนี่ยผมว่าน่าประทับใจมากเพราะฉะนั้นเราเป็นเสือเราไม่ใช่แมวแต่ว่าไม่อยากให้เป็นเสือแบบนั้นนะเราคือแมนไม่ใช่แมวแมนย่อมฝึกได้แมวฝึกได้แมนฝึกได้เขาว่าจะพูดว่าอะไรนะแมนต้องสูบบุหรี่ต้องดื่มเหล้าเป็นเง้นนะม แมนนี่มีสองแมนนะมีแมนโง่กับแมนฉลาดเราจะเลือกเป็นแมนไหนไม่มีหมอคนไหนเลยบอกว่าคุณไปดื่มเหล้าเนี่สุขภาพดีคุณสูบบุหรี่สุขภาพดีไม่มีหมอคนไหนบอกนอกจากหมอแมวหมอแมนไม่บอกแล้วพวกเราความสุขที่เดิจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราเนี่ยอันนั้นไม่ไม่จริงสุขภาพไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่ได้ เราจะเป็นแมนต้องฝึกได้พิสูจน์ตัวเองได้อยากให้เขารักต้องทําตัวให้เขารักด้วยคือเป็นคนดีฝึกตนเองพัฒนาตัวเองแมนทําได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาชีวิตอย่าพัฒนาเฉพาะร่างกายพัฒนาจิตใจด้วยอาศัยศีลเนี่ยไอ้ที่5ข้อเมื่อกี้เนี่ยเป็นพื้นฐานและต่อไปใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้สุกวัวเสมอๆในการทำการพูดการคิดรู้เท่าทันใจเรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราแค่สองอย่างเนะี่ยมีศีลกับมีสติเนี่ยทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เราทุกคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ทำตนให้ไม่ทุกข์ได้โดยอาศัยการประพฤตปฏิบัติแบบนี้แหละแม้แต่ผู้ตรงขังก็สามารถทำได้ เราสามารถหลุดพ้นออกจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการฝึกจิตใจแบบเนี้ยเราทําได้นะมันจะเปลี่ยนใหม่ตอนที่อะไรตอนที่เราจะรู้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ต้องขังธรรมดาแล้วเราจะกลายเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีมีหลักการดําเนินชีวิตที่ดีและชีวิตการอยู่ในเรือนจำก็จะมีคุณค่านะไม่อยู่ฟรีๆนะอยู่แบบศึกษาชีวิตเดี๋ยมันจะมีคุณค่ามันจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากทันตสารใยหนุ่มกลางกลายเป็น มหาวิทยาลัยวัยหนุ่มพวกเราคือนักศึกษาศึกษาชีวิตและผมเองก็เลยกลายเป็นเนี่ยกลายเป็นอาจารย์สอนทิศเศรเปลี่ยนเรือนจําเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยวัยหนุ่มว่างๆผมก็เคยไปมามหาวิทยาลัยคองเปรมมหาวิทยาลัยบางขวาก็ไปวันนี้ก็มามหาวิทยาลัยวัยหนุ่มมาดูนักศึกษาเพื่อฝึกมีอยู่ข้อหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่ากระทบนะขอพูดสักอย่างหนึ่งก่อนจบเนี่ย ผมเห็นเป็ดไก่เนี่ยมันถูกขังใส่ชะลอมใส่กาเรียกกรงเพื่อจะเอาไปฆ่าเนี่ยผมนั่งเขาถุงหลังเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยเขาใส่ใส่เป็ดไก่เขาขังนะเพื่อจะเอาไปฆ่าแต่เป็ดไก่นั่นก็จิกกันอยู่นั่นมันจิกกันจิกกันเพื่อจะไปตายผู้เราก็เหมือนกันเรานอกจากจะไม่ใช่แมวแล้วก็ไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่อย่าไปจิกอย่าไปทะเลาะ ก, กัน ทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องเวียนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องตายเหมือนกันอยู่แล้วทำไมต้องเบียดเบียนกันด้วยเพราะนั้นเรายกประดับจิตใจเราอย่าไปทำแบบนั้นพูดจาพูดคุยกันแบบแมนแบบสุภาพปรุหลุเข้าใจกันแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันมาต้องสุ ข, ขุมสงบนิ่งไม่ใช่เอะเว้ยไวหรือทะเลาะบอกแวงอันนั้นไม่ใช่ทิสัยของคนที่พัฒนาติดนะเอาละ ก็ตั้งใจฟังกดีนะต้องขอขอบใจทุกคน น, นะนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนเรื่องชีวิต